อาจารย์ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งน่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงนักวิชาการด้านไทยวิทยาท่านเป็นผู้ที่รู้หลายภาษามาอังกฤษฟรังเศสอิตาลีอาจจะเยอรมันด้วยรวมทั้งภาษาโบราณเช่นบาลีสันสกปริ เทวนาครีภาษาไทยไม่ต้องพูดถึงท่ันเคยให้คำชี้แนะหรือที่กล่บมาจากประสบการณ์ของตัวเองในการเรียนภาษาว่ามันเหมือนกับ <c oughs> ตักน้ำด้วยกระชอนกระชอนเหมือนกระชอนผ่านท่นบ่ว่าการ เรียนภาษาเนี่ยภาษาต่างประเทศเนี่ยต้องมันพลิกพัฒนานุกกรมบ่อยๆ อ, อาจจะนึกว่าจำได้เสร็จแล้วก็ลืมก็ต้องพลิกอีกคําๆหนึ่งนี่ต้องพลิกเป็นร้อยคงกว่าจะจำได้ท่าก็เลยบอกว่าเนี่ยการเรียนภาษาต่างประเทศเหมือนกับตักน้ำด้วยกระชอนลองลอ ง, ลองนึกภาพือ ว, ว่ากว่าจะ น้ำจะเต็มแก้วนี้มันจะใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะว่ากระชอนภาพก็ตักน้ำมาที่งหลมก็รั่วไปหมดเหลือแต่น้ำแค่หยดสองหยดอาจจะไม่ถึงหยดได้ซ้ำใส่แก้วต้องใช้ความเคียนมากแต่มาฟังแล้วก็รู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมก็อย่างนั้นแหละหรืออาจจะยิ่งกว่านั้น การปฏิบัติธรรมในแง่นี้ก็เหมือนกับการเรียนภาษาต่างประเทศก็คือการต้องหมันระลึกได้อยู่ บ, บ่อยๆ <c oughs> การเปิด Di กชันนารี <c oughs> เปิดพดจนานุนกรม บ, บ, บ่อยๆก็ทำให้ความระลึกได้เกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยใหม่ๆก็ระลึกไม่ได้เห็นครั้งคํานี้ก็จําไม่ได้ต้องเปิดอีกเปิดอีกจนกระทั่งความจําความระลึกได้ก็ค่อยๆเข้าที่ เกิดความปราดเปรียวสามารถระลึกได้อย่างว่องไวในการปฏิบัติธรรมด้วย ก, การเจริญสตินี่ก็คือการสะสมความระลึกได้เอาไว้ระลึกได้ไบ่อยๆระลไดไบ่อยๆไม่ไม่มันก็ไม่ร ะ, ะลึกไม่ได้นะเราเผลออยู่เรื่อยๆเรานั่งอยู่นี่ตามลมหายใจแต่มันเผลอไปกว่าจะระลึกได้ว่ากําลัง นั่งอยู่ตรงนี้นะกำลังตามลมหายใจอยู่ตรงนี้นะไม่รู้คิดฟุ้งไปหลายเรื่องหลเร า, ลาแล้วการเจิอสติคือการบ่มเพราะความ ล, ลึกได้ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับไวเพลปุ๊บแล้วลึกได้ปั๊บก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าจะทําถึงขั้นนั้นได้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการตักน้ําด้วยกระชอนกว่าจะเป็นแก้ว น, นี่ก็ใช้เวลานาน เพราะฉะนั้นพวกเรานี่อย่าไปย่อท้อท้อแท้ต่อการปฏิบัติง่ายๆเ็านะขนาดเรียนภาษาขนาดผู้เชี่ยวชาญผู้รูนะ้ซึ่งใครๆคิดว่าท่านเป็นอัจฉริยะเรียนภาษาต่างประเทศได้เร็วเพราะว่าสมองไวแต่จริงไม่ใช่หรอกแต่เพราะความเพียร ตักน้ำโดยกระชอนม่อบ่อยๆสักวันนึ้งมันก็ต้องเต็มแก้วจนได้หรือว่าเต็มโอ่งจนได้น <c oughs> ่นการการตักสติหรือเติมสติใส่ลงไปในใจนะันต้องใช้ความเพียรนะได้มาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะ ชั่วโมงนึงอาจจะได้สติคือ ค, อความรู้ตัวความระลึกได้นะไม่กี่ขณะไม่กี่ขณะแต่ว่านั่นแหละคือธรรมดาอย่าไปอย่าไปท้อแท้ว่าโอ้ยเดินมาเป็นชั่วโมงแล้วมีแต่ฟุง้งที่จริงก็ไม่ได้ฟุ้งทั้งหมดหรอกนะก็มีความระลึกรู้สึกตัวระลึกได้อยู่เป็นครั้งเป็นคราวเป็นขณะเป็นขณะ ก็ไม่ต่างจากการตักน้ําด้วยกระชัมันก็ได้มาแค่หยดหยด2หยดนะแต่ถ้าหยดแต่ละหยดมารวมกันเข้าใ น, นสุดก็เต็มแก้วเต็มองจนได้นั่นการเติมสติใส่ลงไปในใจนะเราอย่าเร่งรีบนะอย่าไปหวังผลรวดเร็วยิ่งเราอยากได้เร็วๆมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งห่างไกลยิ่ง มันเปนการเดินขึ้นเขานะเดินขึ้นเขาถ้าใครอยากเดินขึ้นได้ถึงไวๆกลับถึงช้าแต่คนที่ไม่อยากจะให้ถึงไวๆหรือไม่คิดเลยกลับถึงเร็วกว่าคนเราที่เราเคยเดินขึ้นเขานะก็อาจจะมีประสบการณ์ตรงนี้คือว่าเวลาเดินเนี่ยแม้ว่าจะเดินตัวเปล่าแต่ว่าถ้า อยากจะให้ถึงไวๆมันก็จะอดไม่ได้ที่จะเหลอก้าวเท้าเร็วๆเสร็จแล้วก็เดินได้ไม่นานก็เหนื่อยเหนื่อยก็พักนะแล่บางทีเวลาพักอาจจะมากกว่าเวลาเดินด้วยซ้ำเพราะว่ารีดเดินอัตมา ก, ก็เคยมาแล้วนะเดิน จริงก็ไม่ได้จําเราก็เดินตามปกติตามนิสัยถึงแม้แล้วก็รู้วันรู้ว่ามันฝืนเดินแต่ก็ต้องรู้ว่าเดินยากเดินชา้าแล้วก็ต้องฝื้นเดินด้วยความเคยชินเสร็จแล้วก็มาเสียเวลาการนั่งพักต่อมามีคนแนะนําว่าเดินให้เดินชา้ชาๆนะเดินชา้ชาๆไม่ต้องพักก็ได้ไม่ต้องนั่งพัก ยังมากก็ยืนพักเนาก็ลองทำอย่างที่เขาว่าคือเดินช้าๆแบบสโลโมชั่นแต่พอเดินไปสักพักใจมันนึกถึงเป้าหมายพอนึกถึงเป้าหมายที่ยังอยู่ไกลก็เหลอรีบสาวเท้าพอเผลอสาวเท้าเข้า 10-29 เก็เหนื่อยแล้วพรเขามันชัน พอรู้ตัวงั้นเขาเอาก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ไปสนใจเป้าหมายแล้วรู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้ลมหายใจประสานเข้ากับการก้าวเท้าซึ่งสาวชาว้าทีนี้ความเหนื่อยก็หายไปมันช้าแต่ว่าค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปบอกว่าเดินไปสักพัก ก็เดินเลยคนที่เขาแซงหน้าไปก่อนทำไมถึง เ, เดินเลยเข้าไปได้เพราะว่าเขาแซงไปสักพักเขาก็ต้องหยุดพักแต่ว่าเนื่องจากเราเดินช้าเดินเรื่อยๆในสุด ก, ก็เลยไม่ต้องพักเพราะว่ามันพักอยู่ในตัวอยู่แล้วในขณะที่เดิน ไปๆมาก็กลายเป็นว่าถึงเป็นคนแรกคือเดินไปหมู่บ้านชาวเาวซึ่งอยู่ห่างสองสามชั่วโมงก็เดินไปถึงเป็นคนแรกๆโดยที่แทบจะไม่ได้พักเลยคือไม่ได้ตั้งใจจะให้ถึงเร็วแต่มันกลับถึงเร็วก่อนคนอื่นส่วนคนที่อยากจะถึงเร็วก็กลายเป็นว่าถึงช้าเพราะว่าเล่งรนั่นเอง การปฏิบัติทำเหมือนกันนะถ้าเราทําด้วยความทําด้วยความอยากทำด้วยความหรือโหอม่ทำเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นการเดินช้าไปยิ่งอยากถึงเร็วกลับถึงช้ายิ่งไม่อยากถึงเร็วกลับถึงก่อนนะอันนี้มันเป็นเป็นหลักการที่ไม่ได้ใช่เฉพาะการเดินไกลเท่านั้นแต่ว่า ในการปฏิบัติธรรมซึ่งต้องอาศัยระยะทางซึ่งเป็นเหมือนการเดินที่ต้องยาวนานนะก็ต้องวางใจแบบนี้ด้วยคือว่าทาไปเรื่อยๆนะทาไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบนะแต่ก็ไม่หยุดนะทำไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบแต่ก็ไม่หยุดและที่ไม่หยุดก็เพราะว่าได้ผ่อนคลายในตัว ใครที่โหม่ทำก็จะต้องจุดในที่สุดเพราเหนื่อยเครียดปวดหัวหายใจไม่ออกแน่นท้องท้อแท้มีบางคนปฏิบัติไปปฏิบัติไปทําด้วยความเครียด <c oughs> เอสักพักเขาก็เอารองเท้าฟาดหัวตัวเองว่าทำไมไมันคิดมากเหลือเกินมันคิดมากเหลือเกินนี่เพราะความพยายามอยากจะผลักไสไม่ให้คิด อยาาไปห้ามความคิดอย่าไปจ้องไปเพ่งจิตไม่ให้คิดมันท่ากับยิ่งคิดพอยิ่งคิดแล้วก็เลยหงุดหงิดงุดหดแล้วไม่รู้ทันความหงุดหงิดก็เลยโมโหโมโหเสร็จแล้วก็ลืมตัวเอาหัวฟาดเอาเอาร อ, องเท้าฟาดหัวตัวเองก็กลายเป็นเนินช้ากลายเป็นทุกกว่ากว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่งปฏิบัติทำบางทีทําไปทำมากับทุกกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะ พราะการวางใจไม่ถูกก็คือไปเพ่งไปอยากไปไปเร่งไปรีบไปโหมนั่นก็วางใจให้สบายๆนะแต่ว่าทําไม่หยุดมืนก็ตักน้ําด้วยกระชอนั่นแหละมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าทําเรื่อยๆทําเรื่อยๆนะถ้าทําด้วยความรีบก็ให้รู้ว่ากําลังรีบ ก, กำลังโหอมอยู่ให้ชะลอ ชาๆลงไปเมื่อชาๆนี้ก็ได้พูดถึงพระภาไหิยะไพหยะนี่อย่างที่ได้เล่าไว้ว่าได้มาขอเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการอยากจะพบพระพุทธเจ้าอยากจะฟังธรรมเพราะว่าได้ข่าวว่าพระองเป็นพระอาหารหันต์เดินด้วยท้าบปาวมาเป็นระยะทางนับร้อยกิโลเมตรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นอน กลงคืนก็เดิ น, นเดิด้วยความกระตือรือร้นมากมีไฟแรงมาพบพระ เ, เจ้ากลางทางขณะที่พระองค์กลงังบิณฑบาตขอให้พวกแสดงธรรมเดี๋ยวนั้นเลยพระองค์ก็ตัดปฏิเสธถึง3ครั้งทำไมถึงตัดปฏิเสธ3ครั้งนะอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุอาจะไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันไม่ใช่เวลามันไม่ใช่สถานที่คือกลางถนน แต่มันไม่ใช่เวลาด้วยเวลานี้ไม่ได้หมายถึงเวลาบินธรรมะแต่เป็นเวลาที่พหิญาณนี่กําลังใจร้อนกําลังอยากจะฟังธรรมมากใจที่มันอยากจะฟังธรรมมากที่เป็นใจที่ไม่ไ ม, ไม่สมดุลคงก็คงจะรู้ดีว่าถ้าแสดงธรรมไปตอนนั้นก็คงจะไม่ได้อะไรน่าถึงยังไว้ถึง3าครั้งจนกระทั่งพหิญาณนี่ก็เริ่มใจเยเ็นลง อใจเยลโล่ทงแสดงทำอย่างที่ได้พูดไปเมื่อเชา้าไอ้ ย, ยักก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีเรียกว่าได้เชื่อเป็นผู้ที่ตัดสั้เร็วแต่ไม่ทันได้เบิกก็ตกวัวผิดตายขณะที่ไปเตรยียมไปหาบริการเพื่อจะบวชอันนี้การที่เวลามาก่อนที่ไฟแรงอยากจะปฏิบัติ ด, ด้วยไฟด้วยความด้วยด้วยไฟที่ ด้วยความเร่าร้อนเนี่ยต้องระวังเนะพราะพุทธองค์นี้ก็รู้ลักษณะจิตของคนแบบนี้ก็จะไม่แสดงธรรมโดยตรงแล้วก็จะจะชะลอไว้ก่อนนะจนกระทั่งใจเริ่มเย็นลงเอาแล้วตอนนี้จิตก็พร้อมที่จะรับฟังธรร ม, มาได้คนที่ไปก็มีเรื่องเล่าในสำนักเซนหลายแห่งเนี่ย คนหนุ่มอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะมาขอให้อาจารย์ได้สอนทำให้อยากจะมาปฏิบัติอยากจะตัดสูดเร็วอาจารย์ทาำยังงอาจารย์บอกโนนไปไปทําครัวซะไปผ่าฟืนไปหามน้ำซะให้ทำสักบางทีเป็นอาทิตย์บางทีเป็นเดือนเจ้าตัวก็อยากจะปฏิบัติธรรมทาไมอยากจะมาปฏิบัติทําไมอาจารย์ให้ไปทําครัวไปผาฟืนหามน้ํา บางคนไม่เข้าใจก็เลิกไม่ละไปที่อื่นดีกว่าแต่บางคนเชื่อฟังอาจารย์ก็ทำตามใจที่ร้อนพอไปเข้าครัวหาบน้ำาผ่ า, าฟืนหาบน้ำเย็นลงเย็นลงเย็นล ง, นลงถึงเวลาอาจารย์ก็ให้มาให้มาปฏิบัติทำสอนทำแล้วทีนี้แต่บางคนก็ ก็เห็นทำขณะที่อยู่ในครัวนั่นแหละเพราะว่าพอใจสงบเย็นก็พร้อมที่จะรับรู้ให้ความตื่นรู้ก็เกิดขึ้นขณะทํางานนั่นแหละเพราะว่าทํางานด้วยจิตที่ด้วยใจที่มีสติ <Yeah. S 1> อาจารย์ให้ทําก็ทําตามอาจารย์ว่าอาจารย์บอกว่าให้จัดให้ใส่ใจกับการทํางานก็ทําตามที่อาจารย์ว่าใจไม่ฟุ้งซ่านกําหนดรู้อยู่กับการทํางานการหาบน้ําการผาฟืน บรรลุทำได้ก็มีเหมือนกันนะแต่ที่ไม่บรรลุทำใจก็เริ่มเป็นปกติเมื่อมาปฏิบัติทำฟังทำก็เข้าใจง่ายขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอุบาย อ, อาจารย์ที่รู้ว่าคนที่ทำด้วยใจที่อยากทำด้วยความอยากทำด้วยความเร่าล้อนีนะ่ก็จะทำให้เนิ่นช้านี่แหละว่ายิ่งอยากถึงแล้วก็กลับถึงช้าให้เราการปฏิบัติธรรมเราก็ให้รักษาใจให้ฏิบัติดีก็คือว่า อย่าไปเฉยเนื่อยนะหรือว่าเกียดคร้านนะแต่ถ้าขยันเล่าร้อน้ผมทำเร่งรีบก็ไม่ดีสองนี่คือสุดตรงสองทางที่ต้องระวังให้เราอยู่ตรงกลางกคือว่าทำด้วยใจที่ผ่อนคลายสบายแต่ไม่หยุดนะทำเรื่อยๆไม่หยุด ไม่ใช่ว่าพอผ่อนคลายสบายแล้วเออจะทำอะไรก็ได้อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอันนั้นก็ไม่ถูกไม่ทำเพราะว่าขี้เกียจทำก็ไม่ถูกหรือทำเพราะว่าอยากจะทำมันก็ไม่ถูกเหมือนกันคือไม่ใช่ทำด้วยความอยากและไม่ใช่เลิกทาเพราะไม่อยากอย่าให้การปฏิบัติของเรามันถูกกำหนดด้วยความอยากหรือความไม่อยากนะ มันจะกลายเป็นว่าขึ้นอยู่กับอารมณ์มากไปให้ทําไปเรื่อยๆนะด้วยใจที่ผ่อนคลายแต่ว่าทําไม่หยุดนะหลวงพ่อเทียนซึ่งได้สอนอาตมา ก, กรรมฐานแรกๆที่ท่านให้ใช้เวลาไม่นานท่านก็นบอกว่าทําเล่นๆนะแต่ทําจริงจัง ทำเล่นๆแต่ทำจริงจังหมเพราะว่าทำเล่นๆคือไม่ได้วางผลอะไรอย่าไปอย่าไปทําด้วยความอยากแต่ว่าทําจริงจังก็คือทําเรื่อยๆทําไม่หยุดตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนถึงหลับก็ให้เป็นการปฏิบัติให้อยู่บนทางแห่งการปฏิบัติอยู่ตลอดมันจะฟุ้งไว้บ้างก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็อย่าไปปล่อยใจไปตามความฟุง้งรู้ ตัวกลับมาแล้วลึกได้ก็กลับมานะอย่ไปกำหนดเวลาอยากไปเปรียบเทียบกับใครการปฏิบัติก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวบางทีเราไปเปรียบเทียบเห็นคนอื่นเขาทําอย่างนั้นเราก็อยากจะทามั่งแต่ตอนที่อยากทานะั้นมันทําด้วยความอยากไปซะและ้วนะให้ทําด้วยฉันทะนะไม่ใช่ทาเพราะความอยากหวังผลหรือเปรียบเทียบอยากเก่งกว่าคนอื่นหรือว่าแข่งกับใคร ไม่มีการแข่งทั้งสิ้นในการปฏิบัตนะิแต่ว่าให้เรามีความมีชันท่าการปฏิบัติคือพอใจที่ได้ทำแต่บางทีชันท่าไม่เกิดก็ทำเหมือนกันนะก็ทำเพราะเรารู้ทันว่าอ่อันนีมันความที่เกิดเกิดขึ้นแล้วความที่เกิดเกิดขึ้นนี่ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ไปยึดติดกับมันหรือถ้าเราไม่ไปหลงมันนะอะไรเกิดขึ้นก็ตาม รู้ไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่เป็นหลงกับมันนะอย่างที่พูดเมื่อวานมันไอ้ปัญหาของเราปัญหาความรู้ความไปยึดติดนะแมก้กระทั่งสิ่งที่ไม่ดีก็ไปยึดติดกับมันที่แรกอย่าไปผลักสมันแต่พอเอาพอไปผลักสายมันเท่านั้นแหละก็ติดตังเลยเหมือนกับอยากจะไปต่อยกับใครกับคนที่เราไม่ชอบหน้าแต่ต่อยไปต่อย ว, ว่าเพราะว่า มันกอดกันเป็นพันลวันเลยมันนักมวยเนี่ยนะพอกอดกันแล้วที่พยายามกรรมการห้ามก็แยกไม่ไม่ยอมไม่ยอมออกเพราะมันมันเมาหมัดแล้วก็ยกยกยกอยากจะต่อยไม่ยอมไม่ยอมเชื่อกรรมการให้แยกออกเวลาเราพยายามผักสายความทุกข์แล้วนี่มันถูกความทุกข์มันหลอกให้ไปติด ให้ความทุ่มก็มีรสชาตินะความโศกความเศร้าก็มีรสชาติมีเพื่อนคนนึ่งนิแย่ได้อ่านจดหมายของชายคนรักชายที่ตัวเองรักแล้วก็รู้สึกผิดหวังว่าเขาไม่ในรักอย่างที่ตัวเองคิ ด, คดก็เศร้าเสียใจนั่งซึมขณะนั้นเองก็มีเพื่อนกดกลิ่นหน้าบ้านแล้วเรียกอยู่หน้าบ้านว่าเรียกอยู่หน้าบ้านชวนไปเที่ยว เพียงวนนั้นนี่แกกลัวขึ้นมาทันทีเลยนะงุนีงไม่พอใจขึ้นมาทันทีนึกในใจว่าเวลาสุขนะเวลาเวลาสุกก็ไม่ได้สุกกับเขาเวลาทุกก็ยังมีคนมาหลังควานนะคืออยากจะจมอยู่ในความทุกข์นั้นแหละนะไม่อยากให้ใครมารบกวนอยากจะจมอยู่ในความทุกข์เพราความทุกข์มีรสชาตินะอ่านี่เราก็ต้อง ระวังนะให้ทำไปด้วยใจที่เป็นปกตินะด้วยความรู้สึกที่เป็นกลางๆด้วยความรู้สึกตื่นรู้นะแล้วก็ได้เวลาก็ยากๆไปนะให้ปฏิบัติเป็นการส่วนเป็นส่วนตัวแต่ละคนไป